ชายคนหนึ่งนะอายุสิบขวบได้คนหนึ่งก็เดินไปหาแม่แล้วก็บอกว่าผมไม่ชอบเลยนะวิชาสะสมความดีเขาจะหมายถึงโครงงานนะโครงงานสะสมความดีโรงเรียนเขาก็อยากจะให้เด็กทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนะก็เลย ทำโครงงานนี้ให้เด็กทุกคนเนี่ยทำความดีในรูปแบบใดก็ได้เสร็จแล้วก็มีสมุดสะสมความดีไปช่วยใครก็ให้คนนั้นเซ็นเซ็นชื่อว่าเนี่ยเจ้าของสมุดเ่าได้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะของโรงเรียนของครูที่อยากจะให้นักเรียน มีจิตใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหรือว่าใส่ใจส่วนรวมแต่เด็กคนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยชอบโครงงานนี้เท่าไหร่ที่ไม่ชอบเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเ่าไม่อยากทำความดีนะแม่ถามว่าทำไมหนูไม่ชอบเนี่ยวิชาสะสมความดีหรือก็ตอบว่าเนี่ย เวลาจะทำความดีกับใครเนี่ยนะครูก็ต้องให้คนนั้นเนี่ยมาเซ็นในสมุดสะสมความดีให้ผมผมไม่ชอบเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าทำดีโดยปราถนาลายเซ็นนะมาลูสึกเดียวเขากสึกไม่สบายใจนะเหมือนกับว่า เป็นการทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนนะผลตอบแทนคือลายเซ็นซึ่งหมาว่าคงจะหมายถึงคะแนนหรือเกรดเด็กไม่สบายใจเด็กไม่ชอบแม่ก็เลยบอกว่ า, วาหนูทำความดีกับใครหนูก็ไม่ต้องให้เขาเซ็นก็ได้เดี๋ยวแม่จะเซ็นเองนะเพราะว่าลูกก็ทำงานช่วยแม่นี่หลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินเอาสมุดมานะเดี๋ยวแม่เซ็นให้ เด็กก็เฉยนะแม่เอาสมตดไปให้แม่สซ็นเด็กเล่าให้แม่ฟังแล้วเด็กก็ไปทำาการบ้านต่อก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายวันนะอนนาจจะเป็นเดือนเป็ น, เ ป, น, เ, น, เ, ปนเป็นเดือนเป็นอาทิตย์เลยก็ได้วันหนึ่งเนี่ย เด็กคนนี้ก็เห็นครูกำลังขนย้ายข้าวของก็เลยอาส า, าไปช่วยนะช่วยเสร็จครูก็บอกว่าเนี่ยเอาส ม, มุดมาให้ครูเซ็นนะส ม, มุดสะสมความดีเด็กก็เฉยนะจนทั้งครูเนี่ยต้องอ่า เรียกว่าขัดคันก็ได้นะให้เด็กเนี่ยเอาสมุดมาแล้วก็เห็นสมุดเนี่ยไม่มีลายเซ็นใครเลยครูก็เลยเซ็นให้นะเรียกว่าสิบรายการเลยเด็กก็ถามว่าทำไมครูเซ็นเยอะอย่างนั้นนะผมก็ช่วยก็ช่วยขนของเท่านั้นแหละนะทำไมครูเซ็นต้อง สิบรายการเรียกว่าครบโคต้าเลยครูก็เลยบอกก็เห็นเธอไปช่วยพานโลมั่งไปช่วยใครต่อใครมั่งเธอก็ไม่เห็นเอาสมุดไปให้เขาเซ็นเลยนะครูก็เลยขอเซ็นแทนกันแล้วกันอันนี้ไว้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะเด็กเนี่ย ไม่ใช่ไม่อยากทความดีนะเขาอยากทำความดีแต่ว่าเขาก็าไม่ปรารถนาผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นในรูปของลายเซหรือว่าจะเป็นในรูปของเกรดหรือของคะแนนเพราะว่าเด็กเขารู้สึกว่าเนี่ยแค่ได้ทำความดีเขาก็พอใจแล้วเขาก็มีความสุขแล้ว กับจะรู้สึกแย่นะถาว่าทำแล้วเนี่ยนะเรียกร้องนะลายเซเนมันก็ว่าอยากจะให้มีคนยอมรับอันนี้เด็กเขาก็ฉลาดเนาะเขาก็รู้ดีว่าเนี่ยเพียงแค่การทำความดีช่วยเหลือใครเนี่ยมันก็มีความสุขเป็นรางวัลอยู่แล้ว แล้วก็รู้สึกภูมิใจนะที่ได้ทำความดีโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนมันยิ่งทำให้เกิดความสุขยิ่งขึ้นนะในทางตรงข้ามเนี่ยนะถ้าทำแล้วเนี่ยหวังผลตอบแทนเนี่ยมันทำให้เจตนานี่นะไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่จะเรียกเป็นการทำดีด้วยที่เจือด้วยกิเลส ก, ก็ได้ คือปรารถนาการยอมรับหรือว่าปรารถน า, าผลประโยชน์เข้าตัวอันนี้ก็ไม่ใช่มีใครสอนนะเด็กเขารู้สึกเองนะว่าการทำความดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเนี่ย ม, มันให้ความสุขเพราะามันเกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์แต่การที่เด็กจะเห็นอย่างนี้นี่มันก็ไม่ใช่ว่า จะเกิดได้กับทุกคนนะเพราะว่าสังคมก็ดีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็ดีว่าจะทำให้เด็กเนี่ยเขารู้สึกว่าทำดีแล้วเนี่ยอย่างนี้นต้องมีต้องมีคนเห็นถ้าทำดีแล้วไม่มีคนเห็นหรือไม่มีผลตอบแทนก็ไม่อยากทำหรือว่าทำให้เกิดความรู้สึก ไม่มั่นใจไม่ภูมิใจในสิ่งที่ทำมมีผู้ใหญ่คนหนึ่งแกเล่าว่านะตอนเด็กๆ เ, เนี่ยอยุประมาณสักสีห้าขวบเนี่ยเห็นพี่กำลังช่วยขนของเห็นพี่กำลังขนของอยู่แกก็เข้าไปช่วยนะแบกตัวก็เล็กนะแต่ว่าก็ทำเต็มที่เลยพอทำเสร็จก็ แต่ก็รู้สึกว่าจิตใ จ, จไม่ค่อยปราบปลื้มเท่าไหร่พี่ชาก็ถามเป็นอะไรหรือจะบอกว่าเนี่ยเราทําดีแต่ไม่มีคนเห็นน่ะนะเลยรู้สึกไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่พี่ซึ่งมีอายุมากกว่าก็บอกว่าเนี่ยแค่เรารู้คนเดียวเราทําดีแล้วเรารู้คนเดียว เท่านี้ก็พอแล้วละมันมีความสุขเป็นรางวัลอยู่แล้วคือความภาคภูมิใจเยเดี๋ยวคนนี้ได้คิดขึ้นมาเลยนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยทีเดียวนะพอโตขึ้นมาไอ้คำพูดของพี่เนี่ยมันช่วยทำให้เขาเปลี่ยนทัศนคติตั้งแต่ยุคสี่ห้าขวบนะวันนี้ทำดี แค่เรารู้ว่าเราทำคนเดียวก็พอละคนอื่นก็จะไม่รู้ก็เป็นเรื่องของเขาแค่เราทำแล้วเรารู้คนเดียวก็มีความสุขละนี่มันเป็นสัจธรรมเลยนะเวลาทำความดีแล้วก็แม้จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเนี่ยแต่ว่าก็มีความสุขเป็นรางวัลนะเปน็นเกิดจากความภาคภูมิใจ เพราะลึกๆคนเราเนี่นก็ด้วยแล้วแต่มีจิตใจยไยดีอยากจะทําความดีดี๋ย ว, ว่าแต่ทําความดีได้ตัวเองเลยนะเวลาเราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นเรื่องราวของคนที่ก็ทําความดีเสียสละเอื้อเฟื้อนะจิตใจเราก็พลอยนะรู้สึกดีไปด้วยมันเกิดความสุขเกิดความประทับใจ ความสูงคนเราอย่างนึ้คือการได้ฟังเรื่องราวดีๆของคนที่เขาเสียสละคนที่เขาเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่ากับสัตว์หรือว่ากับคนที่ตกทุกข์ได้ยากอันนี้เราจะรู้สึกหรือสัมผัสได้ถึงความสึกดีๆนะเวลาเราอ่านเรื่องราวของคนที่เขาทาความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน นะอาจจะได้อ่านทาง f Facebook อาจจะได้อ่านจากาข้อความที่เขาส่งมาทางไลน์หรือว่าข่าวตามห น, นังสือพิมพ์นะตามเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกปราบปลื้มเป็นความสุขเมื่อได้เห็นคนทำความดีมีความเอื้อเฟื้ออันนี้เพราะว่าส่วนลึกในจิตใจองเรานนะมันมีความใยดีอยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทำความดีมันก็มีความสุขแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยมันก็เกิดค่านิยมที่ทำให้คนเนี่ยคาดหวังผลจากการทำความดีว่าทาดีแล้วต้องมีคนเห็นทาดีทำดีแล้วต้องมีคนชื่นชมหรือว่า มีคนกดไลค์ให้พอคนไม่กดไลค์หรือว่ายอดไลค์น้อยก็สึกไม่สบายใจอันนี้มันก็จะเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่กีดขวางนะการทำความดีและทำให้คนเนี่ยเริ่มจะมีความสุขได้ยากนะจากการทำความดีถ้านั่งที่จริงๆเนี่ยถ้าเรา หันมาสังเกตจิตใจของเราเนี่ยเราจะพบเลยนะว่ามันมีความสุกบางอย่างเกิดขึ้นนะเมื่อเราทำความดีไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่ความสุขนั้นเป็นความสุข ด, ดีอาจจะเป็นความภาคภูมิใจความอิ่มเอิบหรือว่าจะเรียกว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งก็ได้และคนเราเนี่ยถ้าหากว่าสะสมความดีไปเรื่อยๆเนี่ ย, ยไม่ใช่รอให้ ไม่ใช่ต้องรอให้มีสมุดสะสมความดีสมุดสะสมความดีนั่นไม่ใช่เป็นสมุดที่สะสมความดีได้อย่างแท้จริงสิ่งที่จะสะสมความดีได้อย่างแท้จริงก็คือใจของเราเมื่อเราทําความดีแต่ละครั้งแต่ละครา้ไม่ว่าจะด้วยคําพูดด้วยการกระทําด้วยการให้ด้วยการเสียสละหรือสละสิ่งของเนี่ยไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นนะมันก็จะสะสมในใจเรา เรามก็สามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเรานะให้กลายเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยใจจริงแล้วกลายเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายนะเพียงแค่ได้ช่วยคนก็มีความสุขแล้วแม้ว่าการช่วยนี้ทำให้เรานะต้องสละเงินสละทองเสียเวลาแต่ว่ามันเทียบไม่ได้นะกับสิ่งที่ได้มา ในจิตใจของเราเนี่ยคือความสุขการหมั่นทําความดีการหมั่นทําความดีเนี่ยนะมันเป็นสิ่งหนึ่งหนะ้าที่จะช่วยทําให้เกิดสุขในจิตใจของเรามันเป็นสุขชนิดที่ประเสริฐกว่านะสุขที่เกิดจากการเสพสุขที่เกิดจากการกินการเที่ยวการเล่น ไอ้สูบแบบนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ไวนะกินอาหารอร่อยได้ฟังเพลงเพราะได้ดูหนังสนุกมันก็สุขนะหรือว่าได้ไปเห็นสิ่งแ ป, แปลกใหม่แปลกหูแปลกตาจากการไปเที่ยวมันก็มีความสุขเป็นสุขที่เกิดขึ้นได้เร็วแต่ว่ามันก็ไม่ยั่งยืนมันสู้ความสุขจากการทำความดี อันเนี้ยเด็กเนี่ยสิบขวบนี้ก็รู้เลยนะว่าเมื่อเราทงความดีแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขเป็นรางวัลอยู่นะไม่ต้องมีใครมาเซ็นนะแล้วต่อไปเนี่ยเราก็สามารถจะพัฒนาได้นะจากการที่มีความสุขเพราะได้ทำความดีมาเป็นมีความสุขเพราะได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าเช่นสุขจากการเรียน สุดจากการศึกษาหาความรู้เดี๋ยวนี้คนไปมองว่าเนี่ยการศึกษาหาความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเนเป็นเรื่องที่เหมือนกับยาขมเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเป็นมีความทุกข์มากกับการเรียนมีความทุกข์กับการศึกษาหาความรู้มากถ้าเรียงได้ก็เรียงถ้าไปก๊อปจากที่ไหนมาได้ก็ พร้อมจะทําเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ชวนให้ทุกข์ชวนให้ลําบากแต่จริงๆนี่ถ้าสามารถจะสัมผัสความสุขจากการทําความดีได้เนี่ยมันไม่ยากเลยนะที่จะเข้าถึงความสุขจากการที่ได้ศึกษาหาความรู้โดยที่ไม่สนใจว่าจะได้คะแนนหรือไม่ ทีแรกก็ทำความดีโดยไม่สนใจลาเซ็นในสมุดสะสมต่อไปมันก็กล้าไปสู่การสู่ความสุขจากการอ่านจากการศึกษาค้นคว้าโดยที่ไม่สนใจว่าคะแนนหรือเกรดเนี่ยมันจะได้หรือไม่หรือมันจะมากหรือน้อยไม่สนใจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่แค่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ นะมันก็ทำให้เกิดความสุขแล้วแล้วนี้ที่ทำให้นะที่มีความเพลิดเพลินนะในการศึกษาความรู้แล้วต่อไปมันก็พัฒนาไปเป็นว่าถึงเวลาทำงานก็ทำงานอย่างมีความสุขนะเดี๋ยวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคนเนี่ยไม่อยากทำงานเพราะถือว่ามันเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยง ถ้จะได้เงินโดยที่ไม่ต้องทํางานก็ยิ่งเอาเพระนั้นคนจะพยายามหาทางทํางานให้น้อยที่สุดเพราะเขารู้ว่าเนี่ยคือความทุกข์ซึ่งมันก็เป็นที่เรื่องที่น่าเสียดายนะเพราะว่าคนเรานี่สามารถจะมีความสุขจากการทํางานได้หลวงพ่อพุทธทาสท่า น, น, นบอกนะฮะสุขแท้มีอยู่แต่ในงานและงานที่ว่านี่นะมันจะเริ่มต้นจากงานศึกษาหาความรู้แล้วก็พัฒนาไปเป็นงาน เผยแพร่ความรู้หรือว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์เมื่อคนเราพบความสุขจากการทำงานนะอไอการที่จะตกไปอยู่ในความลุ่มหลงของอบายามุขของสิ่งเสพเนี่ยมันก็น้อยลงพร่อมีความสุขจากการทำงานจากการศึกษาความรู้นี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่แล้ว ธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันก็ต้องการความสุขนะร่างกายต้องการอาหารแต่จิตใจต้องการความสุขถ้ามันมีความสุขแบบละเอียดมันก็เข้าไปหาความสุขแบบหยาบหยความสุขจากการเสพความสุขจากการมีการได้แต่ถ้าว่าเข้าถึงความสุขจากการทำเช่นทําความดีความสุขจากการศึกษาความรู้ความสุขจากการทํางาน มันก็ไม่สนใจแล้วความสุขหยาบๆที่เกิดจากการเสษนะความสุขหล่านั้นนี่มันจะมาดึงดูดหรือว่ามาอ่ยั่วยวนจิตใจให้ไข้เขยเ่ยได้ยากแต่คนเราเนี่ยนะพอเราพัฒนานความสุข จากการเสรไปสู่ความสุขจากการทำความดีความสุขจากการศึกษาความรู้ความสุขจากการทำงานแล้วเนี่ยก็ควรพัฒนาไปสู่การฝึกจิตจากการทำความดีมาสู่เป็นการทำความรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้เป็นลำดับขั้นตอนนะของพัฒนาการเมื่อเราทำความดีเมื่อเราเข้าถึงความสุขจากการทำงานแล้วเนี่ยเราพัฒนาไปสู่การ ทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นการทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่แต่ที่จริงมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะเพราะมันเป็นตัวช่วยหล่อเลี้ยงประคับประคองให้เราสามารถมั่นคงในวิธีทางที่ดีงามเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยนะในการที่เราจะผ่ า, าท่าเสียทีนะกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการกระทบนะมันก็น้อยลงเวลาทำงานแล้วเนี่ยเจออุปสรรคเจอความล้มเหลวเจอควาวิาพากษ์วิจารณ์เคยเจอคาต่อว่าด่าทอนะก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะมีความสึกตัวจิตใจจะหวั่นไหวอาจจะโกรธอาจจะทอดท้แต่พอรู้สึกตัวขึ้นมานะอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็ มาลายหายไปนะหรือว่าไม่สามารถที่จะมาคุกคามจิตใจได้บางทีเราก็เรียกว่าตั้งสติได้นะเวลาเราถูกกระทบเจออะไรๆๆงแล้วเนี่ยเกิดความหวั่นไหวขึ้นมาเกิดความเศร้าเกิดความโกรธเกิดความหดหู่เกิดความทอดแท้เสร็จแล้วเ ร, รเราตั้งสติได้เนี่ยพอตั้งสติได้นะโอ้มันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลย ความสึกภายในอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะมีความสึกตัวเกิดขึ้นมันเป็นพี่น้องกันนะในความสึกตัวกับการมีสติเนี่ยงัถ้าเรามีสตินะมันก็ทําให้เรารู้ทันความคิดทําให้เรารู้ทันอารมณ์แล้วก็ไม่ทําให้แล้วทำให้ใจเนี่ยที่มันไหลหไปจมอยู่ในอารมณ์ไหลเข้าไปในความคิดในเรื่องเกี่ยวกับดีอนาคตเนี่ยมันถอนออกมา ออามาอยู่กับเนื้อกับตัว อ, อมาอยู่กับ อ, อยู่กับปัจจุบันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเดีย๋ยวนี้คำว่าอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่หลายคนก็งงกันทีมันคืออะไรทั้งที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะรู้สึกตัวคืออะไรใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นย่างไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเข้าใจแล้วว่ามันหมายถึงอะไร ทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคนเฒ่าคนแก่ในเวลาให้พรหลานๆเนี si ่ยนะลูกหลานเนี่ยก็จะให้พรไปเนี่ยให้เยอะให้ใจให้ใจอยู่กันเนื้อกับตัวนะเขาไม่ได้อวยพรให้รวยไม่ได้รวยพรให้ประสบความสําเร็จนะแต่อวยพรให้ใจเนี่มันอยู่กันเนื้อกับตัวหรือว่าให้รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ความหมายเดียวกันนะเพราะว่าใจอยู่กันเนื้อกับตัวมันก็รู้เนื้อรู้ตัว อันนี้เป็นอริยสัพย์ที่สำคัญเลยนะให้รู้เนืรู้ตัวนะเพราะถ้าเรารู้เนืรู้ตัวเนี่ยการที่เราจะถูกกิเลสลอ่อหลอกให้ทำชั่วหรือว่าถูกอารมณ์ต่างๆมาฉุดให้จมอยู่ในความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้ยากไอ้คนเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่หรือไม่รู้เนื้รู้ตัวนะไอ้การที่มันโอกาสที่จะทำความชั่ว หรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจจะด้วยคำพูดนะอาจจะไม่ถึงกับขั้นการกระทำนะแต่ด้วยคำพูดนะเช่นการไปต่อว่าด่าทอส่อเสียดนะมันก็เกิดขึ้นได้น้อยลงเพราะว่ารู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าแทนที่จะถลำเข้าไปในทางชั่วก็อาจจะจมเข้าไปในความทุกข์ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะคับคนที่ทําความดีนะคนที่ขยันขันแข็งในการศึกษาความรู้ขยันทํางานบางทีก็ง่ายที่จะถลําเข้าไปในความทุกข์ความเครียดแต่ถ้ารู้เนะื้อรู้ตัวนะมีความสุขตัวมีสตินะมันก็พลาดพังเสียทีไปในทางนั้นได้ยากมันก็เกิดพลังนะในการที่จะเดินหน้า ทำงานต่อไปเจอประสักด์จเจอความล้มเหลวก็ไม่ท้อแท้กลับมองว่าเป็นของดีได้ซ้ำนะเออเอามาใช้เป็นแบบฝึกหัดในการฝึกจิตนะหรือว่ามาเป็นเครื่องเอามาเป็นบทเรียนนะอย่างที่ เ, เราผิดเป็นครูเอาความผิดพลาดเป็นครูก็เกิดปัญญาขึ้นมา ได้ความรู้เนือรู้ตัวเนี่ยหรือความสึกตัวเนี่ยต่อไปมันก็สามารถจะพัฒนาไปสู่การรู้แจ่มแจ้งในความจริงในสัจธรรมจากความรู้ตัวนะเป็นการรู้ความจริงความจริงของกายและใจเมื่อรู้ความจริงของกายและใจเนี่ยโดยพอเห็นนะเออกายนี่ก็ไม่ใช่ของเราใจนี่ก็ควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้นะมันไม่อยู่ในอำนาจที่จะ บังคับกายและใจให้เป็นไปดังใจแม้เวลากายมันเจ็บมันป่วยที่เคยเศร้าโศกเคยคับแค้นมันก็เปลี่ยนไปเป็นการยอมรับหรือวเวลามันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับใจก็รู้ว่าเออมันมาแล้วก็ไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราแต่ก่อนนี้จงเข้าไปในความโกรธเพราะพิว่าเราโกรธ เวลาเกิดความเครียดก็เราเครียดเวลากายป่วยก็เราปวดนะมันก็ไปยึดนะอันนี้เพราะหลงเพราะไม่รู้ไม่รู้ทั้งรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ความจริงแต่พอรู้ความจริงเห็นสัจธรรมนะเออมันมันก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้มันก็วางรู้ว่ากายไม่ใช่เราของเราอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งใจนี่ก็ไม่ใช่ของเรา ไม่สบบามารถบังคับเปลี่ยนไปดังใจได้อยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบอยากให้มันผ่อนคลายมันก็ไม่ผ่อนคลายแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นความจริงของกายและใจหรือว่าอย่าง น, น้อยน้อยมีความรู้นื้อรู้ตัวมีสติอาการของใจมันก็มาทำให้เป็นทุกข์ไม่ได้นะเป็นทุกข์นะแต่ว่าไม่เป็นทุกข์ เห็นท <He> <Yes. S 1> mm ุก hmm. พ yes. ่ออะไรเห็นทุกพ่อมีความรู้ต right? ัวมีสติแต mm ่ก hmm. hmm. ่อนนี 85, pace, ่ทุกเกิดขึ้นทีไรเป็นทุกทุกทีนะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่เป็นทุลักเห็นมันรู้ทันมันและยิ่งต่อไปเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกทั้งนั้นเหมือนกับเป็นของร้อนเป็นของหนักจะจับก็เจ็บถ้าแบกก็เหนื่อยมันมีแต่จะสอนให้เราปล่อยวางถึงตอนนั้นเนี่ยนะมันก็ สามารถที่จะทำสิ่งดีงามได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์สามารถที่จะใช้ช่วยที่ดีงามด้วยจิตที่เป็นอิสระอันนี้มันเป็นพัฒนาการนะที่เรานะควรจะใส่ใจก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะจากการทาความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนจากการเข้าถึงความสุขเมื่อไดทำความดี เมื่อได้ทำงานหรือได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าไปสู่การทำความสึกตัวมีความรู้เนื้อรู้ตัวในทุกสิ่งที่ทำจนทั้งไปสู่การรู้เท่าทันธรรมดาหรือรู้เท่าทันความจริงหรือสัจธรรมของชีวิตแล้นนคนเราเนี่ยมันต้องมีพัฒนาการนะอย่าหยุดนิ่งแล้วก็จะพบกับความสงบเย็นเป็นอิสระในที่สุด เอาครับเดี๋ว่าตอนนี้นะออกกลับครับ